กรรมที่ทําให้เล็บขบประจําถามเป็นคนที่เล็บขบมาแต่เด็กๆอยู่ๆก็เป็นไม่ใช่ตัดเล็บผิดจนเป็นหนามที่จิกปลายแต่มันจิกอยู่ตรงโคนเล็บแบบซ่อนคมเลยทีเดียวจิกแต่ละครั้งจะเจ็บปวดทุกทรมานมากทั้งวันทั้งคืนมองด้วยตาเปล่าเห็นบวมเป่งแบบกลัดน้อง ถ้าเงี้ยจะเห็นหนองพุ่งหน้าเสียวไส้เคยถอดเล็บก็ช่วยได้พักใหญ่แล้วก็กลับมาเป็นอีกเหมือนรูปเล็บของทั้งมือและเท้าถูกออกแบบมาให้เกิดการทิ่มแทงเข้าเนื้อไปตลอดชีวิตอย่างนี้คือทำกรรมอย่างไรมาแล้วต้องแก้อย่างไรครับตอบ เมื่อมองอาการทั้งหมดโดยความเป็นนิมิตแล้วภาพที่ชัดเจนคือมือและเท้าของคุณทำหน้าที่ผลิตความเจ็บปวดก่อความเจ็บลึกเนิ่นนานแก่ตนเองแม้พยายามรักษาให้หายในที่สุดก็เวียนกลับมาอีกแบบพยากรณ์ไม่ได้เอาแน่อะไรไม่ได้ฉะนั้นถ้าบอกว่านี่คือวิบากของอากุศ ล, ลกรรมเก่าก็คงไม่เหลือเชื่อเกินไปนัก อีกทั้งเป็นเครื่องเตือนให้เห็นความจริงครั้งหนึ่งด้วยว่าร่างกายไม่ใช่ของคุณมันเป็นอุปกรณ์สร้างกรรมใหม่ในขณะเดียวกันก็เป็นอุปกรณ์รับโทษจากกรรมเก่าไปในตัวมือและเท้าเอาไว้ทำงานเอาไว้เดินเหินจัดเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญและอ่อนไหวมีการประชุมเส้นประสาทที่ทำให้รับสัมผัสได้ไว เมื่อเกิดอะไรขึ้นกับมือเท้าความทุกย่อมสาหัสและรบกวนจิตใจไม่เลิกหากสืบดูญาสาโลหิตทั้งพ่อแม่พี่น้องก็จะรู้ว่าโรคเล็บขบเรื้อรังไม่ใช่กรรมพันธุ์แต่เหมือนเจาะจงเล่นงานเจ้าตั ว, ตวแบบเดี่ยวๆเสียมากกว่าดังนั้นการที่ร่างกายเหมือนนึกมันเขี่ยวอยากกลั่นแกล้งจิตอันเป็นผู้ครองกายจึงคล้ายเครื่องหมาย หรือเป็นการแสดงตัวอย่างจากธรรมชาติบอกเราว่าการเสวยทุกนั้นหาได้เกิดจากความคิดนแกล้กลงของใครเราทำอะไรไว้ย่อมต้องเสวยผลด้วยตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เล็บขบเรื้อรังเกิดจากความชอบทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดเรียกว่าสนุกเป็นชีวิตจิตใจในการใช้ปากแทนหอบ ไลท่ทีมแทงผู้อื่นอาจด่าตรงๆบ้างอ้อมๆบ้างหรือเล่นสำนวนเชื่อเฉืแบบที่สมัยนี้เรียกกันว่าจิกกัดคัดสรรคําอย่างรู้ว่าจะทำให้ผู้ฟังเกิดความจุกเสียดเครียดแค้นเหลือประมาณนอกจากนั้นความสะใจที่สามารถก่อความบาดเจ็บชนิดอกกลัดน้องให้แก่ผู้อื่นเช่นแย่งคนรักของเขามาแบบหน้าด้าน แถมสะใจที่เห็นคนถูกแย่งมีกำลังน้อยสู้รบตบมือกับตนไม่ได้ก็มีส่วนปรุงแต่งรูปกายให้โน้มเอียงจะเป็นเล็บคบเรื้อรังได้เช่นกันวิบากของการแย่งผัวย่งเมียคนอื่นนั้นการไวตังหานะครับนี่พูดแค่ส่วนเกินของกรรมหลักคือมีมโนกรรมเป็นความสะใจที่เห็นคนอื่นเจ็บเท่านั้น บาปในการประทุษร้ายทางกายประเภทที่ส่งผลให้เกิดเล็บคบเรื้อรังก็มีบ้างแต่อาจหาไม่ได้ทั่วไปเท่าบาปทางปากตัวอย่างของกรรมทางกายที่ว่านี้ก็เช่นเป็นพวกชอบหยิกชอบกัดโดยเฉพาะตอนยังเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวบางคนชอบหยิกชอบกัดชอบเตะถีบพ่อแม่ทําให้พ่อแม่เจ็บช้ําทั้งกายทั้งใจถ้าทําด้วยอารมณ์ร้ายอย่างต่อเนื่องจริงๆ ก็มีส่วนให้เกิดผลหนักแน่นในชาติปัจจุบันไม่ต้องรอชาติถัดไปอีกพวกหนึ่งซึ่งหาไม่ได้ง่ายในคนทั่วไปคือพวกผู้คุมที่มีหน้าที่ทรมานนักโทษหรือผู้มีอำนาจประเภทโรคจิตชอบเห็นนักโทษโดนทำร้ายจนเกิดความเจ็บปวดสาหัสถ้าทรมานนักโทษด้วยความสะใจเป็นที่ตั้งแล้ว วิบากนอกจากจะไปเสวยผลในอบายภูมิที่ต้องทุกข์ทรมานแบบคูณสิบุู1ร้อยเศษกรรมยังให้ผลหลายๆอย่างเมื่อมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์และหนึ่งในผลหลายๆอย่างดังกล่าวก็คือเล็บขบชนิดรุนแรงทำให้เกิดบาดแผลอาจมีกลิ่นเหม็นเป็นพิเศษคนที่เป็นเล็บขบชนิดเรื้อรังรักษาไม่หายทั้งชีวิตนั้น สะท้อนให้เห็นว่าทำคนอื่นไว้มากและทำเป็นอาจินไม่ใช่รักสนุกอยากสะใจชั่วแล่นติดนิสัยเห็นความเจ็บปวดของผู้อื่นเป็นของสนุกโดยมากจะเห็นร่องรอยนิสัยเก่าได้จากนิสัยในชาติปัจจุบันถ้าคุณชอบทรมานสัตว์มาแต่เด็กถ้าคุณคึกขนองกับการฟาดฟันคู่กรณีให้เจ็บช้ำไม่สนว่าเป็นคนแปลกหน้าเป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่พี่น้อง นั่นแหละเข้าขายแล้วนับให้ละเอียดเลยนะครับแม้จะไม่ใช่คนชอบเล่นสนุกกับความเจ็บปวดหัวใจของชาวบ้านแต่ในเกมกีฬาและการเล่นทั่วไปเข็นคู่แข่งได้แล้วกระหิ่มพยองนึกมันเขี่ยวย่างแรงที่ขยี้ได้สำเร็จอันนั้นก็เป็นกรรมทางใจที่ต้องนับเข้าขายด้วยแบบเล็กๆ มาตราส่วนของน้ำหนักกรรมจะเป็นตัวกำหนดว่าวิบาจะเกิดแค่เป็นเล็บคบหรือมีอาการทางกายอื่นๆมากน้อยกว่ากันเพียงใดรวมทั้งเป็นตัวกำหนดความถี่บ่อยของรอบในการให้ผลบางคนนานปีทีหนบางคนก็เป็นมันได้ทุกเดือนเหล่านี้เป็นเครื่องสะท้อนความถี่บ่อยในการสร้างความเจ็บปวดสะท้อนน้ำหนักความสะใจ ตลอดจนสะท้อนว่ามีบุญในการช่วยคนมาแบ่งเบาหรือแทรกแซงมากน้อยเพียงใดหากสำรวจพบว่าชาตินี้ตัวตนนี้ของคุณมีนิสัยชอบทำให้คนอื่นเจ็บใจจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับผลสะท้อนที่แสดงออกในรูปของเล็บขบเรือรังก็ขอให้ตั้งใจแน่วแน่ ว, ว่าต่อไปนี้คุณจะไม่คิด ไม่พูดไม่ทำการใดๆอันจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวดเพื่อความสะใจของตัวเองแม้จำเป็นต้องลงโทษใครตามหน้าที่ก็จะระวังรักษาใจไม่ให้มีความยินดีจะทำไปด้วยอุเบกขาด้วยความเที่ยงตรงด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามกรอบเกณฑ์ที่มีการตั้งไว้โดยอำนาจอันชอบธรรม อีกทางหนึ่งเมื่อใดที่คุณได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจเพราะมีใครแกล้งพูดทิมแทงหรือได้รับความอายุติธรรมยิ่งชนิดเจอจังๆแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับยิ่งเหมาะคุณอาศัยความรู้สึกเจ็บใจอย่างรุนแรงนั้นอธิฐานว่าขอให้ความเจ็บใจนี้หยุดอยู่ที่คุณคุณจะไม่ทำให้ความเจ็บใจเช่นเดียวกันนั้นสะท้อนกลับไปหาคนอื่นอีก พูดง่ายๆว่าคุณคิดอาโหสิอย่างปราศจากเงื่อนไขยกธงขาวยอมแพ้มนุษย์ด้วยกันเพื่อหวังเอาชนะกรรมเก่ากรรมที่ให้อภัยเป็นทานจะส่งผลทันทีคือความเจ็บใจน้อยลงและกรรมที่ละความพยาบาทไม่คิดแค้นอาฆาตหวังเอาคืนนั่นเองจะช่วยให้เจ็บปวดจากเล็บขบน้อยลงหรือกว่าจะเป็นที ก็ห่างนับปีเป็นต้นนอกจากนั้นคุณอาจประกาศกรรมและวิบากของตัวเองให้คนรอบๆข้างรับรู้ด้วยเจตนาให้เขาละเลิกพฤติกรรมที่จะนำไปสู่ความเจ็บกายเจ็บใจของผู้อื่นอย่างนี้ก็พอมีส่วนช่วยแบ่งเบาได้บ้างเหมือนกันนอกจากการทำบุญสองสามข้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว อย่างไรก็ยังต้องพึ่งยาและวิธีรักษาเล็บด้วยนะครับโรคทางกายที่มีทางทอนความเจ็บป่วยนั้นเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าวิบากที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่มีทางผ่อนปรนเสีทีเดียวธรรมชาติกรรมวิบากเขาให้โอกาสให้ช่องทางและให้คุณพิสูจน์ง่ายๆว่ามีบุญชนิดอื่นพอจะแทรกแซงโรคเรื้อรังได้ไหมเช่น ถ้าเคยให้ความช่วยเหลือคนไว้ก่อนและบุญแห่งการช่วยเหลือนั้นถึงเวลาให้ผลก็จะเจอหมอดีด้วยตนเองหรือมีคนให้ยาดีสามารถบรรเทาหรือรักษาหายได้